เวลาสองทุ่มครึ่งเสร็ จ, รจนะครับตอนนี้สองทุ่มสาสิบห้านาทีเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องอภินาปัจเวกหรือข้อที่ควรพิจารณาเนื่องๆปล่อยๆมีอยู่ห้าข้อด้วยกันนะครับ ออวันนี้ก็จะเริ่มหัวข้อที่ห้าทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อที่หนึ่งคือให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นความแก่ไปได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บ่ายไปได้ข้อสามเรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ลงพ้นความตายไปได้ข้อสี่หาเรามีความพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจทั้งหลายทั้งปวงนี่ข้อสี่พูดมาแล้วสี่ข้อนะครับผมให้ชื่อในภาษาไทยว่าธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนี้เองมีธรรมดาเป็นเช่นนี้เอง วันนี้ก็จะมาถึงหัวข้อที่ห้านะครับคือขอให้พิจารณาเนื่องๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นนี่เป็นข้อความ ตามพระพุทธภาษิตในอภินาปัจจเวอันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องกรรมนะครับเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่อง เ, ออเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของพุทธศาสนาว่าในซีโลกียะพูดถึงในซีโลกียะแล้วก็เรื่องกรรมและการเวียนว่ายแต่เกิดเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ก็ผมจะไม่พูด ละเอียดนะครับเพราะถ้าพูดละเอียดก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเรื่องเดียวก็จะไม่พูดละเอียดเดี๋ยก็จะพูดย่อๆหน่อยเรื่องนี้เรื่องนี้เพราะว่าท่านไดอ่านหนังสือก็ได้ครับผมได้เขียนหนังสือไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อที่แยกพิมพ์ก็มีฮะแยกพิมพ์หลักรรมในการเรียนไหวไตเกิด ตอนนี้ก็พิมพ์อยู่หลายแห่งหลายคำนักแล้วก็ที่รวมพิมพ์อยู่ในหลักคำสอนสำคัญของพุทธศาสนาก็มีชื่อว่าหลักกรรมและการเรีนยนใบแต่เกิดที่นี้บางบางบางช่วงบางตอนก็ได้เขียนไวในปักกิญญาก ร, รรมมีอยู่สองเล่มด้วยกันปักกิญญาก ร, รรม อันนั้นก็ <c oughs> ท่านที่ต้องการรายละเอียดก็ไปอ่านจากหนังสือเหล่านั้นก็ได้นะครับจะไม่พูดในายละเอียดความเข้าใจเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดนี่นะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้หลายแง่หลายมุมคือว่าทำให้เราไม่ต้องน้อยใจ ในชะตาชีวิตของตนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ทำมาเองแล้วก็ไม่ริษยาความสุขของผู้อื่นเพราะว่าได้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าความสุขความทุกข์ความรุงเรืองหรือความล้มเหลวในชีวิตของแต่ละคนนั้น เป็นผลเป็นผลรวมของกรรมของแต่ละคนหรือว่าอาจจะเป็นกรรมของครอบครัวหรือเป็นกรรมของหมู่คณะของเราก็ได้น อ, อกจากนี้เรื่องกรรมย่างช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ต่อความแตกต่างกัน ในเรื่องอุปนิสัยใจคอของคนแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันและก็มีมารดาบิดาเดียวกันได้รับการอบรมอย่างเดียวกันก็ต่างกันไม่เหมือนกันความเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยนะครับจะทําให้เรามีน้ําอดน้าทน แล้วมีความบากปั่นมั่นคงไม่ท้อถอยมีความเพียรสั่งสมความดีขยันต่อการการกระทำความชั่วแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ไม่ไม่ตีโพยตีพายเมื่อผิดหวังแล้วก็ไม่ละเริงหลงในเมื่อประสบผลดี ถ้าเรามาประจักษ์แจ้งว่าผลทุกอย่างย่อมจะมีมาเพราะเหตุคือว่ามันต้องมีเหตุต้องมีเหตุมาจึงได้รับผลก็หลายๆคนก็บ่นให้ได้ยินอยู่เสมอได้ยินทางโทรศัพท์บางได้ยินทางส่วนตัวเล่าให้ฟังบางได้ยินทาง วิทยุทีวีบางว่าเขาไม่ได้ทำความเสียหายอะไรทำไมเขาจึงไม่รับกรรมอย่างนี้ <c oughs> บางทีก็เกิดมาดีสวยก็สวยรวยก็รวยแต่งงานสามีก็ดีแต่ว่าทำไมสามีจึงเป็นโรครายแล้วก็ตายตั้งแต่อายุอย่างไม่มาก เขาต้องเสียเงินเสียทองในการรักษาไปหลายล้านเขาก็อค้ำครวญว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงต้องเป็นเขาอะไรนี่เรื่องงงกรรมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับเรารู้ยากเป็นเป็นอาจินใจอย่างหนึ่งสําหรับคนทั่วไปว่าสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ เพรจึงไม่คนคิดมันเป็นเรื่องของท่านผู้ที่ได้ทิพะจักสูกที่จะเห็นได้ชัดเจนจะแยกออกมาเป็นเคสได้ว่ารายนี้ได้ทําอะไรมาอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราปักใจเชื่อในเรื่องกรรมอย่างมั่นคงแล้วก็จะทําให้เรากล้ า, ผาเผชิญชีวิตอย่างข้าวหาญหรือกล้าหาญ เด็ดเดียวแล้วก็สามารถจะมองเห็นแง่ดีของความผิดหังหรือสิ่งที่เรียกกันว่าโชครายเพราะว่าเราแจมแจ้งขึ้นในใจว่ามันเป็นการใช้นี่กรรมอย่างหนึ่งถ้าเราได้รับความเดือดร้อนเราก็เป็นการใช้นี่กรรมถ้าเราได้รับความสุขเราก็่า นอกจากเป็นเรื่องของการปฏิบัติถูกแ ล, แล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราได้รับผลรวมของกรรมแล้วก็ถ้าเราได้รับผลร้ายเป็นการใช้นี่กรรมก็ทำให้เรือชีวิตของเราเบาขึ้นแล้วก็สามารถจะแล่นไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น หรือว่าเหมือนกับคนที่มีหนี้สินเมื่อได้ใช้หนี้ไปบ้างแล้วก็ทำให้สบายใจขึ้นเบาใจขึ้นหลักกรรมนะครับหลักกรรมจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีการเกิดใหม่โดยการเวียนว่ายใต่เกิดเพราะว่ามีปัญหาชีวิตหลายอย่างที่เราไม่อาจเข้าใจได้ อย่างที่พูดแล้วสัตรูนี่นะมีปัญหาหลายอย่างที่เราไม่อาจเข้าใจได้ถ้ า, าไม่มีการเวียนว่ายแตกเกิดอที่เรียกว่าสังสารวัฏเช่นปนัญหาเรื่องคนดีบางคนมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแล้วก็คนชั่วบางคนมีชีวิตอยู่อย่างสุขสําราญ ไปต้นนะครับปัะห น, นี้จะเป็นเรื่องครั้งโลกถ้ากดแห่งกรรมและการเกิดใหม่ไม่เข้ามาช่วยแก่หรือว่ามันต้องมีมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังของชีวิตที่เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้ช่วงชีวิตเพียงช่วงเดียวของบุคคล มันสั้นเกินไปไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์กรรมที่เราได้ทำไว้แล้วทั้งหมดวราในสังสารวัตรที่ยาวนานนี้เราทำอะไรไว้บ้างซับซ้อนอยู่อย่างไรชีวิตเดียวไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เหมือนกับเราดูละครฉากเดียวเนี่ยครับมันตัดสินอะไรไม่ได้การเกิดใหม่จะช่วยอธิบาย กรรมในอนดีตของคนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์จึงเป็นเหมือนสนามหรือเวทีสำหรับทดลองแรงกรรมว่าใครได้ทำกรรมอะไรไว้มากน้อยแค่ไหนเบาบางหรือรุนแรงอย่างไรด้วยผล ตามที่กล่าวมาโดยย่อเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการศึกษาให้รู้แจ้งในเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีผลเป็นความสุขสงบแก่ผู้ศึกษาเรียนรู้มีประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นร่มเยน็น แล้วก็ทำให้เห็นว่าการเกิดของเรามีความหมายไม่ใช่เกิดมาโดยบังเอิญแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างหลักลอยปล่อยตัวแล้วก็ตายไปอย่างน่าสมเพชเปรนทนาเรื่องกรรมและการเว้นไว้แต่เกิดทำให้คนเราหายอมงงายต่อความขึ้นลงของชีวิต แ้ะก็ช่วยคลี่คลายความคลองใจในความสับสนของชีวิตเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกผู้นับถือผู้ศาสนาควรจะเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเพื่อชีวิตของตนเองจะได้ดีขึ้นและก็ทำผู้ใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือบริวาร ให้มีความเข้าใจในปณาชีวิตของตนด้วยออถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ครูผู้สอนวิชาศาสนาหรือวิชาอื่นใดก็ตามนะครับควรย้ำให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องหลักกรรมและสังสาราวัตเพราะว่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ที่ทำให้ศีลธรรมมั่นคงในจิตใจของเยาวชนทา ถ, ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีความเชื่อเรื่องหลักกรรมแล้วก็พื้นฐานของศีลธรรมมันจะงอนแงนคอนแคลนเต็มทีเด็กๆก็จะวิ่งหาแต่ความสุขสาราญให้กับชีวิต <c oughs> โดยไม่คำนึงถึงว่าผลายหน้าจะเป็นอย่างไร มีพระราชปลาดลอของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระเจาการที่เจ็ดจะทรงปลาดลบบอกไว้ว่าสําหรับพระพุทธศาสนานั้นพระพุทเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งที่เราควรสอนให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นและตั้งแต่ต้นทีเดียวก็คือสิ่งที่เป็นหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาน นั่นคือเรื่องวัตถสงสารการเวียนว่ายตตยเกิดและกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาก็หนทางปฏิบัติของพุทธศาสนาก็เพื่อให้พ้นจากสังสารวัฏหรือวัตถสงสารอันเป็นความทุกข์แต่สิ่งที่ดีประเสริฐยิ่งนั้นคือความเชื่อในกรรม แต่จะสอนแต่เรื่องกรรมอย่างเดียวไม่สอนเรื่องวัฏสงสารด้วยก็ไม่สมบูรณ์ความเชื่อในเรื่องกรรมพระเจ้าเห็นว่าเป็นของประเสริญยิ่งควรเพราะให้มีขึ้นในใจของคนทุกคนและถ้าคนทั้งโลกเชื่อมั่นในกรรมแล้วมนุษย์ในโลกจะได้รับความสุขใจขึ้นมา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 โดยที่ไม่ทําให้รู้สึกท้อถอยอย่างไรเลยพระพุทเจ้าเห็นว่าเราควรพยายามสอนเด็กให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นในกรรมเสียแต่ต้นทีเดียวยิ่งให้เชื่อได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีควรฝังให้เป็นนิสัยทีเดียวและนี่เป็นพระราชปรารบของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่เจ็ด ทรงปรารฏไว้เมื่อวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองนั่นแหละครับอ่นนแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นการพูดพูดนำหรือเกินนำเรื่องเรื่องกรรมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นกับการดำรงชีวิตว่าถ้าคนเราไม่เชื่อเรื่องกรรม แล้วก็มันจะมันจะหาหาความสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันวันแล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวที่จะทำความชั่วอะไรขอให้ได้ความสุขในปัจจุบันจะทาความดีจะทำความ ด, ามดีก็ไม่ค่อยกล้าทำกลัวว่าจะไม่ได้ดีกลัวว่าจะไม่ได้ดีววดดอันนี้ก็มันทำให้ ชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตส่วนสังคมมันสับสนไปหมดเลยมีคนเขาบ่นกันอยู่เสมอว่าคนสมัยนี้มีความเชื่อเรื่องกรรมน้อยลงเพราะว่าให้วัตถุนี้ ม, มันเข้ามาแทนที่ก็แป ล, ว, แล ว, ว่าเชื่อวัตถุว่าเชื่อวัตถุมากกว่าเชื่อกรรมว่าทำอะไรให้มันได้วัตถุ ให้มันได้สิ่งของให้ได้เงินได้ทองได้เกียรติยศชื่อเสียงได้อะไรก็พอใจแล้วแต่ว่าจะได้มาดวยวิธีใดจะสร้างกรรมสร้างเวทอย่างไรก็ไม่สนใจแล้วก็เลี้ยวสายตา ม, มาดูถูกคนที่เชื่อกรรมารราคือกรรมคือโง่ต่อยให้คนอื่นเขาเปรียบทำนองนี้นะครับ คนอื่นก็เปรียบแต่ว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้ได้กำไรคนที่เชื่อกำรรจะได้กำไรคนที่ไม่เชื่อน่าจะขาดทุนจะขาดทุนย่อยยับไปเลย <c oughs> นี่ก็ก ร, รมทำให้คนต่างกันก ร, รมทำให้คนต่างกันทำให้คนที่มีความคิดต่างกัน ความเชื่อในเรื่องกรรมแล้วไม่เชื่อในเรื่องกรรมทำให้คนต่างกันว่ า, าตามที่พูดมาโดยย่อเนี่ยนะครับจะอพอจะเห็นว่าพอจะทำให้มองเห็นได้บ้างแล้วนะครับว่าคนต่างกันก็เพราะแต่ละคนที่มีความปรารถนามีการส่างสมกรรมที่ไม่เหมือนกันคือว่าที่แรกความคิดมันเกิดขึ้นก่อน แล้วก็การกระทําก็จะตามมามันก็จะเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยทําย่อมเป็นการสร้างชะตาชีวิตหรือว่าอนาคตเขาสร้างอนาคตของเขาด้วยความคิดก่อนเมื่อคิดผิดมันก็ต้องทําผิดถ้าทาผิดก็นิสัยไม่ดีก็ติดมาอุปนิสัยไม่ดีก็ตามมาะชะตาชีวิตก็ไปในทางไม่ดีถึงจะพรางอยู่ได้ก็ไม่นาน ว่าที่แรกเราจะทากรรมลงไปก่อนต่อมาภายหลังกรรมนั้นเองจอะ ย, ยอกย้อนมาจำแนกผู้ทาให้เป็นต่างๆตามชนิดของกรรมที่บุคคลนั้นๆได้ทาลงไปาตามชนิดของกรรมนั้นๆที่บุคคลทำลงไปว่าที่แรกเราปลูกต้นไม้เอาไว้ ถูกต้นไม้เอาไฟเรารักษาต้นไม้อ่านหนอมต้นไม้ดูแลต้นไม้แล้วว่าเราสร้างกรรมแล้วทีนี้ต่อมาต้นไม้มันจเจริญเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันแ้มันค่อยๆให้ย้อนกลับมาให้เราให้ออกซิเจนแก่เราให้ลมเงาแก่เราให้ ความร่มเย็นแกเราให้ลูกแกเรานานถ้าเป็นต้นไม้ดีด่ด้วยก็นานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าจัดกับมานพนะครับจัดกับมานพคนหนึ่งว่าดูก่อนมานพสัพท์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้ต้องรับผลแห่งกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยกรรมนั้นเองจำแนกจัดทั้งหลายให้เลวบ้างให้ดีบ้างอันนี้แหะครับต่อไปผมก็จะได้พูดอธิบายไปแต่ละข้อไปแต่ละข้อ ก็ที่ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนนั้นก็คือว่าเป็นเจ้าของกรรมเจ้าของแห่งกรรมของอย่างอื่นเช่นเงินทองทรัพย์สินสมบัติภายนอกนะครับเราเพียงอาศัยใชย้ชัปคาว เ, าเมื่อตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้สักอย่างเดียว มันจะมีมากมาย <c oughs> กายกองเท่าไหร่ก็ออกไปไม่ได้สักอย่างเดียวมันไม่ใช่ของเราโดยแท้จริงเป็นแต่เพียงอาศัยใช้มันไปชั่วคราวช่วงที่มีชีวิตอยู่แต่ว่า <c oughs> แต่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วสองกรรมนี้เท่านั้นที่จะติดตัวเราไป ือว่าติดตามดวงจิตหรือดวงวิญญาณไปทุกคนทุกแห่งที่ท่านบอกว่าเหมือนเงาตามตัวติดตามไปเหมือนเงาตามตัวไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรแม้จะไปเกิดดีหรือไม่ดีอย่างไรมันก็ยังแฝงอยู่นั่นนะครับ อย่งแฝงอยู่อถ้าลองดูว่าคนาสัตว์ที่ไปเกิดเป็นสุนัขแม้ไปเกิดเป็นสุนัขหรือว่าได้ชื่อว่าเป็นสุนัขเหมือนกันแต่ว่าฐานะความเป็นอยู่ของสุนัข ก, ก็ไม่เหมือนกันบางตัวก็มีความเป็นอยู่ดีบางตัวก็มีความเป็นอยู่ที่แรนแคน มีโรคเสนโรคเลือนเป็นตน้นแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครดูแล อ, อยู่ด้วยความยากลำบากแต่สุนัขบางตัวก็เป็นอยู่สุขสบายหรือว่าถ้าไม่คิดว่ามันเป็นภพต่ำแล้วก็มันอาจจะมีชีวิตอยู่สุขสบายกว่ามนุษย์บางคนบางบางคนบางพวกหรือหลายคนก็ได้ แต่ทีนี้ <c oughs> เราถือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ดีกว่าเพราะว่าโอกาสพัฒนาโอกาสพัฒนานั้นมีมากกว่าทำได้มากกว่าถ้ารู้จักคิดทางและรู้จักพัฒนานั่นก็มันเป็นสมบัติของเราจริงๆคือเป็ความดีความชั่วเป็นสมบัติของเราจริงๆ ทรัพ ส, สมบัติภายนอกมันเป็นของอาศัยใช้ชั่วคราวมีกรรมที่พระรัฐบาลได้ ร, รัฐบาลละพระเทระรูปหนึ่งสาวกของพระพุทธเจ้านะครับที่ได้กล่าวกับพระเจ้าโอรพยาหิว่าอัสโกโลโกสัตว์โลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนสัตวโลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนทั บางภาษาคำนิยังจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปจะหวงแหนอย่างไรจะรักใค ร, ร่อย่างไรอย่างไรก็ขอให้ตระหนักเถิดขอให้แน่ใจเถิดว่าเราจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปว่าไม่มีไม่มีอะไรเป็นของเรา แท้จริงอันนี้ได้ ว, ว่าสิ่งที่พระพุทธเจา้าให้พิจารณาหนึ่งนึ่งก็คือว่ า, ากรรมมัสโกมีเรามีกรรมเป็นของของตนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งอื่นของของเราจริงๆก็คือกรรมที่เราทํามะระดกอย่างอื่นเช่นมะระดกในทรัพย์สิสน ที่คนอื่นเขาจะมอบให้ก็เป็นของไม่แน่นอนแต่กรรมที่เราทำแล้วเราต้องได้รับมันเป็นมรดกของเราที่แท้จริงเมื่อมันเป็นของเราแล้วจะมอบให้คนอื่นก็ไม่ได้มอบให้คนอื่นก็ไม่ได้เราต้องเป็นทายาทของกรรมต้องรับมรดกกรรม คนที่เป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสได้รับความทรมานไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรมะเร็งที่ไหนมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งกระดูกมะเร็งอะไรก็แล้วแต่อใครก็แบ่งไปไม่ได้ลูกเมียพี่น้อง ก็ได้แต่นั่งคอยดูก็าจะแบ่งมาเป็นของตนบางก็ไม่ได้คนที่เป็นญาติคนที่มีญาติมากๆแล้วก็ญาติรักว่าถ้าแบ่งความเจ็บปวดไปได้เขาก็คงแบ่งกันไปคนละนิดคนละหน่อยก็คนป่วยก็คงจะหายก็ว่าญาติพี่น้องได้ช่วยกันแบ่งเอาไป แต่เพราะว่ากรรมเป็นของของตนแล้วก็บุคคลต้องรับมรดกแห่งกรรมใครทากรรมอย่างใดไว้ก็ต้องรับกรรมอย่างนั้นไปลูกเมียรหรือสามีพ่อแม่พี่น้องก็ไม่อาจจะแบ่งผลกรรมนั้นไปได้มอเองก็ช่วยไม่ได้ หมอก็ช่วยได้เท่าที่จะช่วยได้แต่ว่าเอาจริงเท่าก็ยอมแพ้มันกันยอมแพม้บางทีหมอก็เป็นซะเองเหมือนกันโรคทุกโรคที่คนไข้เป็นอยู่หมอก็เป็นแต่หมอบางคนก็เป็นมะเร็งหมอบางคนก็เป็น อ, อโรคลำไส้บางคนก็เป็นโรคกระเพาะบางคนก็เป็นโรคกระสะับอะไรมันก็มีทุกอย่างแล้วหมอก็เป็น เวลาหมอไม่เป็นก็รักษาคนอื่นไป <c oughs> บางทีก็เป็นอยู่ด้วยก็รักษาคนอื่นไปด้วยเพราะมีความรู้ในการที่จะทําสิ่งนั้นได้แต่ว่าไม่ใช่จะหลีกเลี่ยงได้จะหลีกเลี่ยงยากทีนี้ก็ข้อที่วา่ามีกรรมเป็นแดนเกิดหรือกรรมมโยนนี้หรือเกิดมาเพราะกรรม อันนี้ท่านใช้คมก ร, รมมโยนิอธิบายว่าคนเราเกิดมาเพราะมีกรรมเพราะยังมีกรรมอยู่หรือว่ายังมีกิเลสมีกรรมแล้วก็มีวิบากคือผลของกรรมผลของกรรมนั้นจะส่งจิตหรือวิญญาณดวงจิตหรือดวงวิญญาณให้ไปเกิดในที่ต่างๆ ต, ตามความเหมาะสมแก่กรรม วิญญาณย่อมจะปฏิสนธิในที่ที่เหมาะสมแก่กรรมของตนคนไม่มีกรรมแล้วเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่เกิดก็ไ <c oughs> ม่เกิดมารดาบิดาเป็นเพียงที่อาศัยเกิดของบุคคลผู้ยังมีกรรมอยู่บางรายก็เคยเป็นบุตรเป็นมารดาบิดากันมา หลายรอยชาติแล้วบางรายก็อุปนิสัยของบุตรของบุตรธิดาหรือของลูกหญิงลูกชายลูกหญิงไม่เหมือนมัณฑาพิดาเลยอุปนิสัยของบุคคลแสดงถึงผลรวมของกรรมของเขาที่เคยสั่งสมไว้ในรายที่ลูกมีอุปนิสัยคล้ายคลึง หรือเหมือนกับพ่อแม่แสดงว่าเขาได้เคยอบรมตนมาอย่างเดียวกันแล้วก็มาเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกพ่อแม่เป็นพ่อแม่พี่น้องกันบางรายเพราะการปลุกฝังอย่างหนักแน่นรุนแรงในปัจจุบันแต่ถ้าคนไม่มีอุปนิสัยในทางนั้นอยู่ จะปลูกฟังอย่างไรก็ไม่สาเร็จเพราะเขาไม่ยอมรับการปลูกฟังคนทุกคนครับมีสระในการทำชั่วหรือทำดีตามอุปนิสัยของเขาคือว่าพ่อแม่ปลูกฟังได้ญาติพี่น้องปลูกฟังได้จะเพาะคนที่เขามีอุปนิสัยยอมรับ ยอมรับการปลูกฝังของเราแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับมันก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมันก็เรารับประทานอาหารกินข้าวกินอาหารเข้าไปถ้าเปลือกที่มันเป็นประโยชน์อยู่ก็เพราะว่ากระเพาะมันรับมันย่อยแล้วลำไส้มันก็ทํางานตามหน้าที่ส่วนต่างๆมันทํางานตามหน้าที่อาหารก็มีประโยชน์ หรว่ามันรับได้แล้วถ้าเปลือกระเพาะมันไม่ทํางานอากินเข้าไปเท่าไหร่มันอาจเจียนออกมาหมดมันไม่ยอมรับหรืออะไรทํานองนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอาหารดีเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับคนนั้น เหมือนกับคำสอนดีๆเนี่ยดีๆเราไปให้คนบางคนเขาไม่รับเหมือนกับเพาะที่มันอักเสบเป็นแผลหรืออะไรกินอะไรเข้าไปมาเทียนของว่าหมดเฉพาะไม่รับไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยแต่บางคนรับไปหมดแล้วก็ย่อยดีเป็นโอชาไปเลี้ยงร่างกาย เป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกระดูกเป็นอะไรดีทุกอย่างอันนี้เทียบให้เห็นให้เห็นว่าคำสอนต่างๆนั้นถ้าเขาไม่รับมันก็ถึงจะสอนดีเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์กับเขากับคนนั้นที่นี่ก็อมารดาบิดาที่ดี ก็ก็เรียกว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อต่อลูกนะครับประมาณไม่ได้เลยมัรดาปิดาที่ดีเป็นคนที่มีบุญคุณต่อลูกประมาณไม่ได้มีมากจนประมาณไม่ได้เพราะว่าได้ทุ่มเทความรักความปราณีความเสียสละให้แก่ลูกอย่างที่จะหาใครเสมอเหมือนได้ยากเป็นเวลานานปี อันนี้พูดถึงพ่อแม่ที่ดีหรือว่าพอจะกล่าวได้ว่าตลอดชีวิตของท่านแต่มันดาปิดาก็ไม่สามารถจะช่วยให้ลูกดีได้ทุกคนลูกคนใดที่มีอุปนิสัยที่เลิศติดตัวมา เ, เขาก็ ไม่เอาอย่างการกระทำที่ไม่ดีของพ่อแม่ทั้งๆ ท, ที่พ่อแม่ไม่ดีเขาก็ไม่เอาอย่างไม่เอาอย่างตัวอย่างที่พ่อแม่ทำไม่ดีเขาไม่เอาเพราะว่าขัดกับอุปนิสัยของเขาอันนี้เราเห็นกันโดยทั่วไปลูกบางคนพ่อแม่ไม่ไม่ได้เรื่องแต่ว่าลูกนี่แสดงอุปนิสัยดีเลิศออกมาให้ แล้วก็ถ้าออพอไอ้นิสัยหรือนิสัยที่ไม่ดีของพ่อแม่เขาไม่เอาแล้วก็ในไม่ช้าเขาก็ต้องปลีกตัวออกไปปลีกตัวไปไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแก่เขาจนได้นี่แหละครับที่ว่ากรรมโย น, นี้มีกรรมเป็นแดนเกิด ตนเกิดมาแต่กรรมของตนมองให้ดีนะครับมองให้ดีๆใจเห็นจริงตามที่ก็พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้พุทธเจ้าผู้เป็นบรมศสสดามีพระญาณซึ่งไม่มีอะไรติดกัดไม่มีที่ติดกัดท่านสอนเอาไว้ว่าเราฮ <c oughs> เกิดมาแตกกรรมกรรมของเราจัดสรรจัดแจง ให้เกิดแล้วก็รอเลี้ยงเป็นอุปธรรมทีนี้ก็ข้อต่อไปที่ว่ากรรมบัญทุกรรมบันธุหรือกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุพี่น้องนี่ก็หมายความว่าพี่น้องโดยสายโลหิตของเราจะช่วยเราได้บ้างอาจจะช่วยเราได้บ้างช่วยไม่ได้บ้าง เป็นมิตรกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างเบียดเบียนกันบ้างเมื่อเติบโตขึ้นมาต่างก็แยกย้ายกันไปบางรายก็อยู่ห่างกันคนละประเทศแล้วบางทีก็อยู่ในประเทศเดียวกันอในประเทศเดียวกันแต่ก็ปีหนึ่งอาจจะไม่ได้พบกันสักครั้งหนึ่งก็มีบางคนก็อยู่ไกลกันคนละทวีปก็มี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 บางคนพวกพ้องญาติพี่น้องไม่ดีแต่ตัวเขาเป็นคนดีบางคนญาติพี่น้องเผ่าพันธ์ทางสายโลหิต ด, ดีทะกูลดีแต่ตัวเขากลับตกตำ่ำจนเข้าพี่น้องไม่ได้ก็มีทั้งนี้ก็เพราะว่าพี่น้องเผ่าพันธ์ของเราจริงๆของเขาจริงๆก็คือกรรมของเขานั่นเอง เขาจึงต้องอยู่กับกรรมของเขาตลอดไปแล้วก็ตลอดชีวิตเนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งสุขภาพจิตผมได้พูดที่พนม .2 ออเมื่อคืนเมื่อวานนี้ว่าในสัปดาห์นี้ก็จะพูดเรื่องสุขภาพจิตแถมนิดหน่อยก่อนรายการ วันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะคุยเรื่องสุขภาพจิตนิดหน่อยก่อนที่จะเข้ามาพูดกันถึงเรื่องกรรม เ, เช่นว่าเช่นว่าภายในภายในและภายนอกในชีวิตของคนเรา ในชีวิตของคนเรานี้มีภัยทั้งภายในและภายนอกภัยภายนอกเกิดจากซึ่งเกิดจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากนอกจากตัวเราก็ถือว่าเป็นภัยจากภายนอกทีนี้ก็แล้วก็มีภัยจากภายในคือภัยที่เกิดจากจิตใจของเรา ของเราเองเรามีระบบป้องกันแก้ไขอย่างไรในหมู่คนที่อยู่กันจำนวนมากไฟภายในหรือภัยภายในคือโลกปลดลงมันเผาอยู่ข้างในให้เราวร้อนอยู่เสมอการยุ่งเรื่องงาน ไม่ทำให้สุขภาพจิตของเราเสียเท่าไหร่แต่ว่าการยุ่งเรื่องเพื่อนร่วมงานแล้วก็อารมณ์ที่ยุ่งเหยิงยุ่เจียดอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละครับจะทำให้สุขภาพจิตเสียมากนี่เมื่อสุขภาพจิตเสีย <c oughs> เมื่อสุขภาพจิตเสียเสยแล้ว การงานก็พลอยเสียหรือด้อยคุณภาพไปด้วยสะดับไฟภายในเสียได้ก็จะได้ชื่อว่าช่วยตนเองและผู้อื่นให้มีความสุขสงบเย็นสำหรับเรื่องของคนอื่นผมได้พูดถึงบางแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนบอกว่ า, วาคอบได้ก็ครอบไปครอบไม่ได้ก็ไม่ต้องคบอบถือว่า บุคคลบางพวกคนครบบุคคลบางพวกไม่ควรคบก็ไม่ควรคบคนไม่ดีก็าอาเสวนาจะพาลานังนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ชีวิตของคนเรานี่ยนะครับถ้าไม่ตั้งความหวังไว้มากเกินไปความผิดหวังก็จะมีไม่มากนักแต่ถ้าเราตั้งความหวังไว้สูงมาก เมื่อผิดหวังก็จะเจ็บมากเหมือนคนตกจากที่สูงโดยเฉพาะความหวังที่เราคาดว่าจะได้จากคนอื่นอาจทำให้เราผิดหวังได้มากเช่นจากลูกจากสามีหรือจากพันญาจากเพื่อนฝูงจากลูกน้องจากนายงานเป็นต้นนะครับถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้น วัวถ้าเราหวังมันต้องมีความล้มเหลวบ้างได้บ้างเสียบ้างถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นในเรื่องใจก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนเราจะรุ่งเรืองได้ก็